ผมทรย์จากพระโอษฐ์หมวดที่7ว่าด้วยการลืมคำปฏิญาณ 1. กูเป็นโค 2. สมณะแกลบ 3. ชอบให้หญิงประคบ ป, ประงม 4. ชอบสรพพ่อ ก, กับหญิง 5. ชอบศกตายหญิง 6. ชอบฟังเสียงหญิง 7. ชอบประลึกถึงความหลังเกี่ยวกับหญิง 8. ชอบดูผู้อื่นบริโภคกาม เกพระเพื่อพรหมจันทร์เพื่อเป็นเทพยายดา 10. บชีพหายเพราะคลื่นส1บเดชีพหายเพราะเจระเขส 12. สชีพหายเพราะวังวน 13. บชีพหายเพราะปลาร้าย 14. เห็นยอดอ่อนๆว่าเป็นแกน 15. บห้ลงสะเกตแท้งว่าเป็นแกน 16. บหลงเปลือกสดๆว่าเป็นแกน17เจ็ด หลงกระพีไม้ว่าเป็นแก่น18ไม่รู้ความลับของขันห้าสิไม่รู้ความลับของอุปาทานคันย์่สไม่รู้ความลับของท่าสี่21ไม่รู้ความลับของอินทรีย์่ส2บไม่รู้ความลับของอินรี่ห้ายี่สิบไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่ได้เป็นสมณนะ24 ไม่รู้อริยสัต์ไม่ได้เป็นสมณนะคุ <ks> ้มทรบจากพระโอษฐ์หมวดที่เจ็ดว่าด้วยการลืมคำปฏิญาณกูเป็นโคภิกษุทั้งหลาย ลาที่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังข้างหลังแ be ม้จะร้องอยู่ว่ากูก็เป็นโคกูก็เป็นโคดังนี้ก็ตามทีแ s <S ต่สีของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่เสียงของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่เท้าของมันก็หาเป็นโคไปได้ไม่มันก็ได้แต่เดินตามฝูงโคไปข้างหลังข้างหลังร้องเอาเองว่ากูก็เป็นโคกูก็เป็นโคดังนี้เท่านั้นข้อนี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในกรณีเช่นนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเธอแม้จะเดินตามหมู่ภิกษุไปข้างหลังข้างหลังร้องประกาศอยู่ว่าข้าก็เป็นภิกษุข้าก็เป็นภิกษุดังนี้ก็ตามทีแต่ความใคร่ในการประพฤติศีลสิกธิขาของเธอไม่เหมือนของภิกษุทั้งหลายความใคร่ในการประพฤติจิตสิกธิขาของเธอไม่เหมือนของภิกษุทั้งหลายความใคร่ในการประพฤติปัญญาสิกธิขาของเธอ ไม่เหมือนของภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นได้แต่เดินตามหมู่ภิกษุไปข้างหลังข้างหลังร้องประกาศเอาเองว่าข้าก็เป็นภิกษุข้าก็เป็นภิกษุดังนี้เท่านั้นภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าความใคร่ายในการประพฤติเสลสิศขาของเราต้องเข้มงวดเสมอความใคร่ในการประพฤติจิตสิขาของเราต้องเข้มงวดเสมอ ความใครในการประพฤติปัญญาสิทธาของเราต้องเข้มงวดเสมอดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหละสมณะแกลบภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทั้งหลายจงขับบุคคล น, นี้ออกไปเสียภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงขับบุคคล น, นี้ออกไปเสียจงนําบุคคล น, นี้ไปให้พ้นลูกนอกคอกช่างทำให้ลำบากใจใครภิษุททั้งหลายนักบวชบางคนมีการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังคาติถือบาตรครองจีวร เหมือนอนพวกภิกษุที่ดีรูปอื่นๆทั้งหลายช่วงเวลาที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเธอเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเธอเข้าเมื่อนั้นเขาทั้งหลายก็รู้จักเธอได้ว่านี่เป็นสมณะอันตรายเป็นสมณะแกลบเป็นสมณะขยะมมลฝอยดังนี้ครั้นคนทั้งหลายรู้จักเธอว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเขาก็เนรเทศเธอออกไปนอกหมู่ข้อนั้นเพราะอะไร เพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนชั่วทำลายพวกภิกษุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นข้าวผีซึ่งออกรวงมีแต่แกลบไม่มีเนื้อในที่บริโภคได้เกิดขึ้นในานาข้าวเต็มไปหมดในฤดูทำนารากของมันลำต้นของมันใบของมันก็ดูเหมือนเหมือนต้นข้าวยวะทั้งหลายชั่วเวลาที่รวงยังไม่ออก เมื่อใดมันออกรวงเมื่อนั้นจึงทราบได้ว่านี่เป็นต้นข้าวผีซึ่งมีแต่กแกลบไม่มีเนื้อในที่บริโภคได้ดังนี้ครั้นคนทั้งหลายทราบเช่นนี้แล้วเขาก็ช่วยกันถึงถอนพร้อมทั้งรากทิ้งไปให้พ้นนาข้าวข้อนั้นเพราะอะไรเพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้ต้นข้าวผีทาลายต้นข้าวเยาวะที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้ภิษุทั้งหลาย ชั้นใดก็ฉันนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังขารติถือบาทครองจีวรเหมือนเหมือนพวกภิกษุที่ดีรูปอื่นๆทั้งหลายชั่วเวลาที่พิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัตของเธอเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัตของเธอเข้าเมื่อนั้น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 ที่คนทั้งหลายกําลังโรยกันอยู่กลางลมในข้าวเปลือกเหล่านั้นข้าวที่เป็นเมล็ดแท้แข็งแกร่งก็ตกไปรวมกันอยู่กองหนึ่งส่วนข้าวรีบที่เป็นแกลบ ล, ลมก็พัดปลิวพาไปรวมเข้าวเป็นอีกกองหนึ่งเจ้าของจึงเอาไม้กวาดกวาดข้าวที่รีบนั้นไปทิ้งเสียข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเจ้าของมีความประสงค์ว่าอย่าให้ข้าวรีบที่เป็นแกลบมาปนกับข้าวที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้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 เปรียบมือบุรุษที่ต้องการถังไม้สำหรับใส่น้ำถือขวานที่คมเข้าไปในป่าเขาเคาะต้นไม้ต่างๆด้วยขวานบรรดาต้นไม้ต่างๆเหล่านั้นต้นไหนเป็นไม้เนื้อแข็งมีแกนตันถูกเคาะด้วยขวานย่อมส่งเสียงหนักๆส่วนต้นไม้ที่ผุในน้ำซึมเข้าไปแช่อยู่ได้จนเกิดเปื่อยผุขึ้นในตัวเองถูกเคาะด้วยขวานเข้าก็ส่งเสียงดังก้องบุรุษผู้นั้น จึงตัดต้นไม้เนื้อผุในชนิดนั้นที่โคนแล้วตัดปลายออกคว้านในทาให้เกลื่อเกล่าวอย่างดีครั้นแล้วก็ใช้เป็นถังสำหรับใส่น้ำได้สำเร็จภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นนักบวชบางคนในกรณีนี้มีการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังฆาติถือบาทครองจีวร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 เพราะคนทั้งหลายมีความประสงค์ว่าอย่าให้คนชั่วทำลายพวกพิสุที่ดีอื่นๆทั้งหลายเลยดังนี้เพราะอยู่ร่วมกันจึงรู้จักกันได้ว่าคนนี้มีความปรารถนาลามกมักโกรธมักลบหลู่คุณท่านหัวดือ้อตีตนเสมอท่านมีความริษยามีความตระหนีและโ อ, โอ้อวดในถ้ำกลางชนเขาเป็นคนมีวาจาหวานปานสมณะที่ดีพูดแต่ในที่รับคน ย่อมทำสิ่งที่คนชั่วซึ่งมีความเห็นต่ำทรามไม่เอื้อเฟื้อระเบียบพูดจาปริ้มปล่อนโป้ปดเขาทำกันทุกอย่างทุกคนพึงร่วมมือกันกำจัดเขาออกไปเสียทุกคนพึงช่วยกันทึงถอนบุคคลที่เป็นดุจต้นข้าวผีนั่นทิ้งพึงช่วยกันขับคนกลวงเป็นโพรงไปให้พ้นพึงช่วยกันคัดเอาคนที่ไม่ใช่สมณนะแต่ยังอวดอ้างตนว่าเป็นสมณะออกทิ้งเสีย ดจชาวนาโรยเข้าเปลือกกลางลมเพื่อคัดเอาเข้าวรีบออกทิ้งเสียฉะนั้นอันหนึ่งคนเราเมื่อมีการอยู่ร่วมกันกับคนที่สะอาดหรือคนที่ไม่สะอาดก็ตามต้องมีสติกำกับอยู่ด้วยเสมอแต่นั้นพึงสามัคคีต่อกันมีปัญญาทำที่สุดทุกแข่งตนเถิด ให้หญิงประครบประงมพราหมณ์มีสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบเขาไม่เสบเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามก็จริงแลแต่ว่าเขายังยินดีการลูบทาการขัดสีการอาบการนวดฟันที่ทําให้โดยมาตุคามเขาปราบปลืล้มยินดีด้วยการทําเช่นนั้นจากมาตุคามพราหมณ์นี้แลคือความขาดความทะลุ ความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์พราหมณ์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพึทธพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพัน์ด้วยเมถุนย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจชื่อว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ได้ ชอบสัพยอ ก, กับหญิงพรามอีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นโภมจารีโดยชอบเขาไม่เสพเมทุนกับด้วยมาตุคามและไม่ยินดีการลูบทาการขัดสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุคามก็จริงแหละแต่ว่าเขายัางพูดจาเซ็กซี่เล่นหัวสัพยอ ก, กับด้วยมาตุคาม เขาปราปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจากมาตุคามพราหม์นี้แหลคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจันทร์พราหม์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจันทร์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมถุนย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความร่ำไรราพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแคนใจ ชื่อว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ได้ชอบศบตายิงพราหมณ์อีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบ เขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีการลูบทาการขัด ส, สีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุคามทั้งไม่ยินดีในการพูดจาซิกซีเล่นหัวสรรพยักกับด้วยมาตุคามก็จริงแลแต่ว่าเขายังชอบสบตาด้วยตากับมาตุคามเขาปราบเพิ่มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจากมาตุคามพรามนี้แลคือความขาดความทะลุ ความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์พราหมณ์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมถุนย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจชื่อว่ายังไม่พ้นจากทุกข์ได้ ชอบฟังเสียงหญิงพราหม์อีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบเขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีการลูกทาการขัดสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุคามไม่ยินดีในการพูดจาเซ็กซี่เล่นหัวสรพยอ ก, กับด้วยมาตุคามทั้งไม่ยินดีในการสบตาด้วยตากับมาตุคามก็จริงแล แต่ว่าเขายังชอบฟังเสียงของมาตุคามที่หัวเราะอยู่ก็ดีผู้จาอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องห้อยู่ก็ดีข้างนอกฝาก็ตามนอกกำแพงก็ตามเขาปราปลื้มยินดีด้วยการทําเช่นนั้นจากมาตุคามพราหมนี้แหละเพื่อความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์พรามเรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์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 เรอลึกถึงความหลังเกี่ยวกับหญิงพราหมณ์อีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นพรมจารีโดยชอบเขาไม่เสพเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีการลูกทาการขารัดสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุคามไม่ยินดีในการพูดจาเซ็กซี่เล่นหัวสัพยอ ก, กับด้วยมาตุคามไม่ยินดีในการสบตาด้วยตากับมาตุคาม ทั้งไม่ยินดีในการฟังเสียงของมาตุคามก็จริงแลแต่ว่าเขาชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัหเราะงเล้าโลมเล่นหัวกับด้วยมาตุคามเขาปราบปลื้มยินดีด้วยการทำเช่นนั้นจากมาตุคามพราหมณ์นี้แลคือความขาดความทะลุความด่างความพร้อยของพรหมจรรย์พราหมณ์เรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์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 ดูผู้อื่นบริโภคการพราหมณ์อีกอย่างหนึ่งมีสมณะหรือพราหมบางคนในโลกนี้ปฏิญาณตัวว่าเป็นโภมจารีโดยชอบเขาไม่เสดเมถุนธรรมกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีการลูบทาการขัดสีการอาบการนวดฟันที่ได้รับจากมาตุคามไม่ยินดีในการพูดจาเซ็กซี่เล่นหัวสรพยักกับด้วยมาตุคามไม่ยินดีในการสบตาด้วยตากับมาตุคาม ไม่ยินดีในการฟังเสียงของมาตุคามทั้งไม่ชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเลาะเล้าลมเล่นหัวกับด้วยมาตุคามก็จริงแลแต่ว่าเขาเพียงแต่เห็นขหบดีหรือบุคข้าบดีผู้อิ่มเอิบพี่พร้อมด้วยกามาคุณทั้งห้าได้รับการบำเรออยู่ด้วยกามาคุณเขาก็ปราปลื้มยินดีด้วยการได้เห็นการกระทาเช่นนั้นพรามนี้แลคือความขาดความทะลุ ความด่างความพร้อยคมพรหมจรรย์พรามเรากล่าวว่าผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่บริสุทธิ์ยังประกอบด้วยการเกี่ยวพันด้วยเมธุนย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่และความตายความโศกความร่ำไรราพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจชื่อว่ายังไม่พ้นจากทุกได้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 ไม่ยินดีในการฟังเสียงของมาตุคามไม่ชอบตามระลึกถึงเรื่องเก่าที่เคยหัวเราะแล้วโลมเล่นหัวกับด้วยมาตุคามและทั้งไม่ยินดีที่จะเห็นพวกห่าบดีหรือบุคฆ่าบดีผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าแล้วตนพลอยนึกปลื่มใจก็จริงแลแต่ว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์โดยตั้งความปรารถนาเพื่อไปเป็นเทพยายดาพวกใดพวกหนึ่งพราม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 ที่หายเพราะคลื่นภิกษุทั้งหลายภัยอันเกิดแต่คลื่นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือคนบางคนมีศรัทธาออกบัวจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโสกความริ่มไรราพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความรับแค้นใจครอบงมเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุก มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำชะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันย่อมว่ากล่าวตักเตือนเธอว่าท่านเป็นพระแล้วต้องก้าวเดินด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องถอยกลับด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องแลดูด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องเลี้ยวด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ ต้องคู้แขนคู่ขาด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องเหยียดมือเหยียดเท้าด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องนุ่งห่มจับเถอซึ่งสังฆาติบาทจีวรด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้เธอนั้นหวนระลึกไปว่าเมื่อก่อนเราอยู่ครองเรือนย่อมว่ากล่าวสั่งสอนผู้อื่นบัดนี้พวกภิกษุคราวลูกคราวหลานของเรากลับมาคอยหาโอกาสว่ากล่าวตักเตือนเรา ดังนี้เธอก็โกรธแค้นใจบอกเลิกศิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งคระหหัตภิกษุทั้งหลายภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภัยอันเกิดแต่คลื่นแล้วจึงบอกเลิกศิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งเคราหหัตภิกษุทั้งหลายคาว่าภัยอันเกิดแต่คลื่นนี้เป็นคำแทนชื่อสาหรับเรียกความโกรธขับแค้นใจภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า ภัยอันเกิดแต่คลื่นแหล่ชีพหายเพราะเจระเคภิกษุทั้งหลายภัยอันเกิดแต่เจระเคเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือ คนบางคนมีศรัทธาออกบวชเจริญไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรราพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจครอบงามเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกขมีทุกขอยู่เฉพาะหน้าแล้วทาําะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ ทรันบวชแล้วเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันย่อมว่ากล่าวสั่งสอนเธอว่าสิ่งนี้ท่านควรเคี้ยวสิ่งนี้ไม่ควรเคี้ยวสิ่งนี้ท่านควรบริโภคสิ่งนี้ไม่ควรบริโภคท่านควรเคี้ยวกินลิ้มเดิมแต่ของที่ควรไม่ควรเคี้ยวกินลิ้มเดิมของที่ไม่ควรท่านควรเคี้ยวกินลิ้มเดิมแต่ในการที่ควร ไม่ควรเคี้ยวกินลิ้มเดิมนอกการดังนี้เธอนั้นหวนระลึกไปว่าเมื่อก่อนเราอยู่ครองเรือนปรารถนาสิ่งใดก็เคี้ยวกินลิ้มเดิมสิ่งนั้นเคี้ยวกินลิ้มเดิมได้ทุกอย่างทั้งที่พิกษุนี้ว่าควรและไม่ควรได้ทั้งในการที่ควรและนอกการชรอยท่านจะห้ามปากของเราในของเคี้ยวของฉันออมปราณี เท่ข้าบดีผู้มีศรัทธานำมาถวายนอกการในเวลากลางวันดังนี้เธอก็โกรธแค้นใจบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหักภิกษุทั้งหลายภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภยัยอันเกิดแต่จระเข้แล้วจึงบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหักพิกษุทั้งหลายคำว่าภายัยอันเกิดแต่จระเข้นี้ เป็นคำแทนชื่อสำหรับเรียกความเป็นคนเห็นแก่ท้องภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภัยอันเกิดแต่จระเข้แหละชิพายเพระวังวนภิกษุทั้งหลาย ไพอแงเกิดแต่วังวนเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในยกรณีนี้คือคนบางคนมีศรัทธาออกบวชเจเริญไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคี่เห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกมีทุกอยู่เฉพาะหน้าแล้ว ทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเวลาเช้าเธอครองจีวอนเธอบาทเข้าไปบินทบาทในย่านหมู่บ้านโรนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่กำหนดสติไม่สำรวมอินทรีย์ในที่นั้นนั้นเธอได้เห็นขคราบดีหรือบุกขครบดีผู้อิ่มเ อ, อิบเพียบพร้อมด้วยการมาคุณทั้งห้าให้เขาบำเรออยู่ เธอนั้นกับโห้นระลึกไปว่าเมื่อก่อนเราเป็นขรรหัดคลองเรือนก็เป็นผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยการมาคุณทั้งห้าให้เขาบำเรออยู่ทรัพย์สมบัติในสุกุลของเราก็มีอยู่และเราก็อาจบริโภคทรัพย์สมบัติพลางทำบุญพลางอย่ากระนั้นเลยเราบอกเลิกเสีขาหมุนกลับเืินไปสู่เพศตามแห่งขรหัดบริโภคทรัพย์สมบัติพลางทาบุญพลางเถิดดังนี้ เธอก็บอกเลิกศึกษาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัดภิกษุทั้งหลายคำว่าภัยอันเกิดแต่วังวนนี้เป็นคำแทนชื่อสำหรับเรียกกล า, าคุณทั้งห้าภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภัยอันเกิดแต่วังวนแล ที่หายเพราะปลาร้ายภิสษุทั้งหลายภัยเกิดแต่ปลาร้ายเป็นอย่างไรเล่าภิสษุทั้งหลายในกรณีนี้คือคนบางคนมีศรัทธาออกบวชากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคลับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์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 เมื่อเธอเห็นมาตุคามที่ห่มชั่วนุ่งชั่วราคะก็เสียบแทงจิต ข, ของเธอเธอไม่จิตถูกราคะเสียบแทงแล้วก็บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัตภิกษุทั้งหลายภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายแล้วจึงบอกเลิกศิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศตามแห่งครหัตภิกษุทั้งหลายคําว่าภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายนี้ เป็นคำแทนชื่อสำหรับเรียกมาตุคามหญิงชาวบ้านภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายแลเห็นยอดอ่อนว่าเป็นแก่นภิกษุทั้งหลาย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 ครั้นบวชแล้วสามารถทำลาบสั ก, กระและเสียงเยินยอให้เกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้วในลาบสักระและเสียงยืนยอนั้นเธอทะนงตัวเพราะลาบสักระและเสียงเงยินยอนั้นว่าเราเป็นผู้มีลาบสั ก, กระและเสียงเยินยอส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ต่าต้อยน้อยสักดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่ ราบสักระและเสียงเยืนอยอนั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพีมองข้ามพ้นเปลือกสดมองข้ามพ้นสเกตแห่งตามผิวเปลือก เด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่าผู้เจริญคนนี้ช่างไม่รู้จักแก่นไม่รู้จักกระพีไม่รู้จกกัจกเปลือกสดไม่รู้จักสเก็แห้งตามผิวเปลือกไม่รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่งจริงดังว่าผู้เจริญคนนี้ต้องการแก่นไม้ส่อหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้ จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วก็มองข้ามพ้นแก่นข้ามพ้นกระพี้ข้ามพ้นเปลือกสดข้ามพ้นสเศษแห้งตามผิวเปลือกไปเด็ดเอาใบอ่อนที่ปลายกิ่งเถอไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้จกไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่า ได้ถือเอาพรมจันตรงใบอ่อนที่ปลายกิ่งของมันแล้วเขาถึงที่สุดของพรมจันด้วยการกระทาเพียงให้ลาบสักการะและเสียงยืนยอเกิดขึ้นเท่านั้นเองหลงสกเกตแห้งว่าเป็นแก่น ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกบูชากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ําไรรําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจครอบงําเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกขอยู่เฉพาะหน้าแล้ว ทำจะไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วสามารถทําลาบสักระและเสียงเยืนยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีแล้วไม่มีความดําริเต็มรอบแล้วในลาบสักระและเสียงยืนยอนั้นเธอไม่ทะนงตัวเพราะลาบสักระและเสียงเยืนยอนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะลาบสักระและเสียงเยืนยอนั้น เมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความด âm เรตเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอทะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นว่าเราเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ทุศีลมีความเป็นอยู่เลวทรามดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่ เพราะความถึงพร้อมด้วยสีนั้นเมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่เ้ืยอความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้เาะหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแก่นมองข้ามพ้นกระพีมองข้ามพ้นเปลือกสดทากเอาสเก็ตเปลือกตามผิวเปลือกถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้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 ถากเอาสเกเยตแห้งตามผิวเปลือกถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้สิ่งที่เขาจะต้องทํำด้วยแก่นไม้จกไม่สําเร็จประโยชน์เลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเราเลือกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงสเกเยตแห้งตามผิวเปลือกของมันและเขาถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ด้วยการกระทําเพียงให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นเท่านั้นเอง ลวงเปลือกสดๆว่าเป็นแก่นภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือกุลบุตรบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะขี้เห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรายรําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้ว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 เมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดข um, ึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นแต่ว่าหามีความดำริเต็มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นไม่เธอไม่ทะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้ เธอมีใจยินดีแล้วมีความดำริเต็มรอบแล้วในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเธอทะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นว่าเราเป็นผู้มีจิตถึงความเป็นหนึ่งตั้งมั่นแล้วส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้มีจิตฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นแล้วดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้น เมื่อประมาทแล้วเธอก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่ดูแล้วน่าชังภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วยแก่นไม้สอกหาแก่นไม้เที่ยวค้นหาแก่นไม้อยู่ไปจนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้วมองข้ามพ้นแกน่นมองข้ามพ้นกระพีทากเอาแต่เปลือกสดๆเถือไปด้วยเข้าใจว่านี่แก่นไม้บุรุษมีตาดีเห็นคนนั้นเข้าแล้วก็กล่าวว่า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 สิ่งที่เขาจะต้องทำด้วยแ่นไม้จกไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจรรย์ตรงเปลือกสดของมันและเขาถึงพ่สุจแห่งพรหมจรรย์ด้วยการกระทำเพียงให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นเท่านั้นเอง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 ทำชฉไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะปรากฏมีได้ดังนี้ครั้นคิดอย่างนี้แล้วกุลบุตรนั้นจึงออกบัวจากเรือนด้วยศรัทธาครั้นคิดอย่างนี้แล้วกุลบุตรนั้นจึงออกบัวจากเรือนด้วยศรัทธาครั้นบวชแล้วสามารถทำลาบสักระและเสียงเย็นยอให้เกิดขึ้นได้เธอไม่มีใจยินดีไม่มีความดำริเต็มรอบแล้วในลาบสักระและเสียงเย็นยอนั้น เธอไม่ทนงตัวเพราะราบสักการะและเสียงเยืนยอนั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะราบสักการะและเสียงเยืนยอนั้นเมื <Wh> ่อไม่ประมาทแล้ว <teri. S 2> เธอให้ความถึงพร้อมด้วยศีลเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วในความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นแต่ว่าหามีความด âm ฤตเต็มรอบเพียมความถึงพร้อมด้วยศีลนั้นไม่เธอไม่ทะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยศีลนั้น เธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่เพราะความถึงพร้อมด้วยศีนนั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอให้ความถึงพร้อมด้วยสมาธิเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วในความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นแต่ว่าหามีความดมฤติเต็มรอบเพียงความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นไม่เธอไม่ทะนงตัวเพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเธอไม่เมาอยู่ไม่มัวเมาอยู่ไม่ถึงความประมาทอยู่ เพราะความถึงพร้อมด้วยสมาธินั้นเมื่อไม่ประมาทแล้วเธอก็ทําให้ญาณทัศนะความรู้เห็นธรรมเกิดขึ้นได้เธอมีใจยินดีแล้วมีความดําริเต็มรอบแล้วในญานณทัศนะนั้นเธอทะนงตัวเพราะญาณทัศนะนั้นว่าเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่ส่วนภิกษุอื่นๆเหล่านี้ไม่รู้ไม่เห็นดังนี้เธอนั้นเมาอยู่มัวเมาอยู่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 สิ่งที่เขาจะต้องทำเลือกแกนไม้จกไม่สำเร็จประโยชน์เลยดังนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้นภิกษุทั้งหลายเราเรียกคนบวชชนิดนี้ว่าได้ถือเอาพรหมจันท ร, ร์ตรงกระพีของมันและเขาถึงที่สุดแห่งพรหมจรรันทร์ด้วยการกระทำเพียงทำให้ญาทณทัศนะเกิดขึ้นเท่านั้นเอง ความลับของขันห้าโสนะสมณะหรือพราหมพวกใดย่อมไม่รู้จักลักษณะไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นไม่รู้จักความดับสนิทไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารย่อมไม่รู้จักลักษณะไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นไม่รู้จักความดับสนิทไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแห่งวิญญาณโสณะ สมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นทั้งที่ถูกสมมุติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามทั้งที่ถูกสมมุติว่าเป็นพราหม์ในบรรดาพราหม์ทั้งหลายก็ตามก็หาเป็นสมณะหรือพราหมณ์ไปได้ไม่หาได้ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลวอยู่ไม่ ไม่รู้ความลับของอุปาทานขันภิกษุทั้งหลายอุปภาทานขันห้าเหล่านี้คืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดไม่รู้จักรสอร่อยไม่รู้จักโทษ และไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกนั้นทั้งที่ถูกสมมติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามทั้งที่ถูกสมมติว่าเป็นพรามในบรรดาพรามทั้งหลายก็ตามก็หาเป็นสมณะหรือพรามไปได้ไม่หาได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชนแห่งความเป็นสมณะหรือประโยชนแห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในทิตธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ไม่ไม่รู้ความลับของธาตุสี่ภิกษุทั้งหลายธาตุสี่เหล่านี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามพวกใดไม่รู้จักรสอร่อยไม่รู้จักโทษและไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นในท่าศีเหล่านี้ตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นทั้งที่ถูกสมมุติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามทั้งที่ถูกสมมติว่าเป็ น, มมปนพราหมณ์ในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายก็ตามก็หาเป็นสมณะหรือพราหมณ์ไปได้ไม่หาได้ทําให้แจ้งซึ่งประโยชนแห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในเิต ธ, ธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ไหมไม่รู้ความลับของอินทรีย์หกภิกษุทั้งหลาย อินทรียหกเหล่านี้คืออินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรียคือลิ้นอินทรีย์คือกายอินทรีย์คือใจภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามผวกใดไม่รู้จักความเกิดขึ้นไม่รู้จักความดับไปไม่รู้จกักรสอร่อยไม่รู้จักโทษและไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นในอินทรียหกเหล่านี้ตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลาย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 รู้ความลับของอินรียห้าพิกษุทั้งหลายอินรี่ห้าเหล่านี้คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินรีย์คือสติอินรีย์คือสมาธิอินทรีย์คือปัญญาภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์พวกใดไม่รู้จักความเกิดขึ้นไม่รู้จักความดับไปไม่รู้จักรสอร่อยไม่รู้จักโทษเมื่อยึดถือ และไม่รู้จักอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นในอินทรี่ห้าเหล่านี้ตามที่เป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกนั้นทั้งที่ถูกสมมุติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามทั้งที่ถูกสมมุติว่าเป็นพราหมณ์ในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายก็ตามก็หาเป็นสมณะหรือพราหมณ์ไปได้ไม่หาได้ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหม์ด้วยปัญญาอันยิ่งเอ ง, เองในทิฏฐธรรมนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ไม่ไม่รู้ปฏิจสมุบาทไม่ได้เป็นสมณะภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดไม่รู้จักชารามรณะไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งชารามรณะ ไม่รู้จักความดับสนิทแห่งชรามรณะไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งชรามรณะไม่รู้จักชาติไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งชาติไม่รู้จักความดับสนิทแห่งชาติไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งชาติไม่รู้จักภพไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งภพไม่รู้จักความดับสนิทแห่งภพไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับสนิทแห่งภพ ไม่รู้จักอุปาทานไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งอุปาทานไม่รู้จักความดับสนิทแห่งอุปาทานไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งอุปาทานไม่รู้จักตันหาไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งตันหาไม่รู้จักความดับสนิทแห่งตันหาไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งตันหาไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งเวทนา ไม่รู้จักความดับสนิทแห่งเวทนาไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งเวทนาไม่รู้จกักพรรษะไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งพรรษาไม่รู้จักความดับสนิทแห่งพรรษาไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งพรรษะไม่รู้จักอายตนะหไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งอายตนะหกไม่รู้จักความดับสนิทแห่งอายตนะหก ไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งอายตนะหกไม่รู้จักนามรูปไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งนามรูปไม่รู้จักความดับสนิทแห่งนามรูปไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งนามรูปไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งวิญญาณไม่รู้จักความดับสนิทแห่งวิญญาณไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งวิญญาณไม่รู้จักสังขาร ไม่รู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งสังขารไม่รู้จักความดับสนิทแห่งสังขารไม่รู้จักข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งสังขารภิกษุทั้ um งหลายสมณะหรือพราหม์พวกนั้นทั้งที่ถูกสมมุติว่าเป็นสมณะในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามทั้งที่ถูกสมมุติว่าเป็นพราหมณ์ในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายก็ตามก็หาเป็นสมณะหรือพราหมณ์ไปได้ไม่หาได้ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ไม่ไม่รู้อริยสั์ไม่ได้เป็นสมณนะภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหม์พวกใดไม่รู şey, ้จักตามที่เป็นจริงว่าทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ไม่รู้จักตามที่เป็นจริงว่าเหตุใี่เกิดทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ไม่รู้จักตามที่เป็นจริงว่าความดับสนิทแห่งทุก์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ไม่รู้จักตามที่เป็นจริงว่าข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกเป็นเช่นนี้เช่นนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์พวกนั้นทั้งที่ถูกสมมติว่าเป็นสมณะ ในบรรดาสมณะทั้งหลายก็ตามทั้งที่ถูกสมมติว่าเป็นพรามในบรรดาพราหมทั้งหลายก็ตามก็หาเป็นสมณะหรือพราหมไปได้ไหมหาได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชนแห่งความเป็นสมณะหรือประโยชนแห่งความเป็นพราหมด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ไม่มวที่เจ็ดจบ